na mo tatsa toto ato arahato, sama, tatsa. Tatsa, to ato arahato, sama sambutat sa na mo tatsa toto ato ato sama sambutat sa na mo tasa ที่สมัสสะธรรมปริยายัสสะตะคู่สาธายัสสะมันเตวิสัจจังสโมสุสุปโสติก็ แด่ท่านปลีภูละสังฆานต์ที่แล้วเป็นระยะเวลายาวนานพอ เรื่องของธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่เรา จะฝึกหัดปฏิบัติตนเพื่อนำเอาความดีงามพุทธเจ้าองค์ ไตรคือมรรคในชีวิตของเราเพราะธรรม 2 ทางนี้พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสไว้ก็คือพุทธราธัมมาปุจฉาธัมมาแต่บัดนี้พุทธภาติที่ได้ยกขึ้นในเบื้อง สีนั้นเป็นพื้นฐานเปรียบมาเสมือนมหาปัศทีเอ่อเป็นที่ สรรไดก็ดีศีลนี้สําคัญที่สุดถ้าสมาธิที่เราอย่างจริงจังแจ้งในดวงจิตดวงใจของเราทุกๆ วนต่างๆที่เราได้ผลทุกข์กันอยู่ท่านพวกเราทั้งแล้วซึ่งโลกมนุษย์นี้มากันด้วยอํานาจวิบากกรรมต่างๆบ้างก็มาจากนรกบ้าง ถ้าเรามีกรรมแล้วเราก็จะไม่ได้มาเวียนวนสู่นรกทุกข์กันและขั้นที่สุดขั้นต่ำนั้นก็ได้แก่ศีล 5 นั่น เอ่อเพื่อจะให้เอ่อชีวิตมนุษย์เรา เมื่อออกจากข้อไปแล้วต่างคนก็ได้แย่เรา เรา. 5 เราก็ ตั้งแต่ 9 5 ตั้งแต่จริงถึงจุราเมไรแล้วได้เขียนได้ว่าศีลโทษเวรภัยทั้ง เราจะเห็นแล้วอ่ะเพียงแค่ถึง 5 อย่างเดียวถ้าเร เอ่อที่ขณะที่เราเกิดมานี้คนเอ่อแม้เราจะมีกรรมอยู่เบื้องหลังไกลเหตุไหนเขาทํากรรมขณะนั้นเดี๋ยวๆนี้ปัจจุบันนี้แต่ถ้าเราใช้แต่บารมี ก็ไม่สามารถที่จะใช้บารมีนี้ยั่งยาวยืนนานไปได้ยิ่งเราใช้แต่เมื่อเราใช้ในทางที่ผิดด้วยไม่ สิ่งที่เราหาในทางพุทธจิตจินธธรรมเหล่านั้นจากกายวาจาใจของเราเออถึงแม้จะได้มามากมายสายครอง ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดศาสนาใดที่ เอ่อทานบารมีของเราเอ่อให้มันสมบูรณ์ขึ้นยิ่งยากจนเห็นใจก็พยายามเครื่องเอ่อนําเอ่อชีวิตของเรา ที่จะเอ่อเอ่อสุขหรือว่ากําลังจะเอ่อได้อริยทรัพย์ส่วนหนึ่งเมื่อเราทําลงไปแล้วมันเอามิจฉาทานอันเป็นธานของโลกแต่ทําๆมัน คุณวอกงามขึ้นในใจของเราเหมือนเรามานั่งสมาธินั่งไม่ถึงว่าพระ บกพร่องอย่างไรยังมีความเฉลียวฉลาดดีอยู่หรือหรือว่ามีความโรงมีอะไรที่แฝงในใจเราซึ่งเป็นส่วนของอกุศลกรรมธรรมจิตของเรามืดมนต์มลทกาลอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบัน uh, จะแก้ได้อย่างไรล่ะดูว่ารูปธรรมเราจะ แต่เรื่องของจิตของใจหรือยากจะมาแยกแยะมาดูซับซึมเอาสิ่งที่เลว 3 ต่ําช้าในๆก็มีความก็ถ้าแล้ว ยิ่งมีความละเอียดพรผ่านนั้นเพราะฉับสิ่งทั้งหลายในโลกเกิดขึ้น เรานําเอาๆนี้ซึ่งมันมากมายเกินพอดีๆอันเป็นอดีตบ้างเป็นอดีตบ้างที่ ติกิติมานะติสันนาติสุปทาน โดยอาศัยที่เราไม่นําๆไม่ความ ความดีความชั่วๆของเราสิจะคิดเออขึ้นมานั้นจะดี คนนั้นถ้าเราเป็นผู้สันนิษฐานที่มีจิตใจๆที่มาหลีกเลี่ยงหรือ จิตที่ปรองเคล้าได้มาจากไหนใช่มาจากการทําสมาธิเอ่อภาวนาทั่วไปทําจิตให้ของเราให้ให้มันปรองเคล้าพอแล้วจิตที่ว่างสว่างสงบที่เราเตรียมพร้อมไว้ๆมาบ้างข่าวสารว่างก็ มีสติมีปัญญามีความสงบใจเพียงพอที่จะมีพลังพอจะ ก็เงื่อนปมที่มันมากขึ้นไปจนไม่สามารถที่ มันหมกมุ่นขุ่นมัวลมเละเทะพะไปตามสภาวะของโลกที่ อย่าสวดมนต์ตัวเทาะตัวทอนกันแบบโก๊ะแก้วนะคุณทองสวดไปต้องใช้สติปัญญาควบคุมวตกรรมของเราอะพะโลอะอิโรอิติโรติปิให้รู้ปิทีเดียวแล้วเราสวดไปจะเกิดสมาธิด้วยสมาธิไม่ต้องมานั่งรับ การงานการของเรานั้นเราจะมีความเหลียว เอ่อแล้วเกิดเป็นมนุษย์พุทธศาสนาด้วยพระพุทธเจ้าไม่ได้นำเอาคําสอนเหล่านี้จากหาเอาจะได้ตรัสรู้เป็นพระตะหมัตพุทธเจ้านั้นพระองค์มีความเขื่ออฌานช่ําชองมากในชีวิตของความเกิดมาแต่ละพวกประชาติ สัญญานสมุตินี้เราในฐานะชาวพุทธเชื่อๆเหล่านั้นถ้า แล้วบางทีก็มักจะยอมรับว่าเออทุกๆวันโลกทุกวันนี้โลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องยอม ทั้งว่าจะมาปฏิเงาชัดถ้อยชัดคําจะสวดมนต์จะภาวนาก็เวลาก็สตินี่ เราทั้งหลายก็ต้องเออว่าสถานะเออถ้าเรา จะมืดมนอนตการถึงขนาดขนาดว่าไม่สามารถที่จะยึดเอาคุณธรรมขั้นต้นเรื่องธรรมมาเป็นชนะมา เอ่อเราจะต้องเดินดำเนินไปเมื่อเราคิดว่าเราต้องการความสุข เรเราก็จะไม่มีสิ่งที่จะมาอภิเษกออกมาใช้นั้นเราเป็นทางกายก็ทางวาจาดีทางใจก็ดีเราคิดมากๆเข้าแล้วถ้ามันเกิดความคิดนั้นคิดมากๆมีพลังก็แล้วมันอดทนดับดายหมดทั้งวาจาไม่ได้ทางกายไม่ได้เพราะมันจะสื่อกันได้ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ คนนั้นเราต้องจําเป็นต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้แต่เราเองเรายังอาจจะมืดมุ่นอนตการอยู่จะผู้รู้บางบางท่านเค้าก็ต้องมองเราอยู่ ในการที่ได้มาบําเพ็ญกุศลผลบุญใน ไปอยู่ตามดงตามป่าตาม เพราะคนเราก่อนจะเกิดโรคโควิดไพนั้นมันจะเกิดจากที่ใจของเจ้าของเองอ่อนใจ วะนันศีลทั้งหมดศีล 5 ก็ดีศีล 8 ก็ดีศีล 10 ศีล 227 ก็ดีๆแล้ว ก็จะสกัดกั้นฟันสูญเสียสิ้นเปลืองมากมายตลอดจนสุขภาพอนามัยของเราก็จะสมบูรณ์ด้วยอาหารบางทีก็แม้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ราคามันต่ําเราก็ เอ่อมอละัยจะรู้ดีเท่ากับตัวเราแล้วขับเคลื่อนร่างหรือยังหรือว่าเครื่องยนต์มันจะพังตรงไหนสังขารร่างกายของเราก็ เดินไปเราจะเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีสติในการ ถ้าเราไม่ยอมไม่ยอมปวดไม่ยอมปวดยอมทนจะเอาขันติธรรมมาจากไม่ได้มั่งคิดมั่งเอ่อดิ้นมั่งมองให้มันเห็นจริงๆแล้วเพราะเรากําหนดไปกําหนดไปทุกเข้าทุกเข้า <southwest> มันเดี๋ยวมันก็ดับให้เราเห็นถ้ามันไม่ดับให้เหลมร่างกายเราก็ทุกจากการนั่งมีอยู่แค่นี้คือขันติธรรมนี่กว่าจะได้มามันไม่ เราต้องพิจารณาให้ให้ให้มันๆนะรวมทั้งทั้งเหล่านั้นแล้วเราจะได้เห็น โลกแก่กับสภาพของเราให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้ว เรารวยจะแล้วกลัวมั้ยล่ะเจ้าพระญาติเจ้าทั้งหลายเนี่ยครูบาอาจารย์เออจะ ใจเสียแล้วเนาะหันมาทุกวันทุกวันเอ่อร่างกายต้องการข้าวชิมอาหารของความสงบอันละเอียดด่านน้อยทําจิตให้แข็งแต่เรารู้จัก ฟื้นพลังให้กลับมาชั่วระยะช้างเองหายไปหมดด้วยๆมีแต่กําลังอิดๆที่จะมีขึ้นเนี่ย นอกโตบดีจิตธรรมดาธรรมชาติของจิตเพราะว่าจิตปภัสสรจิตสมาธิ ขณะที่เราภาวนาไปภาวนาๆให้จิตเราอยู่ มันก็ถอนมันก็บ่อยๆเข้าจนกระทั่งเราสามารถประคับประคองจิตทรงตัวได้ๆขึ้นแล้วไม่ว่าอะไร ต่อความยาวสาวความยืดถึงสิ่งทั้งหลายที่เป็นอดีตตัวทุกเป็น มันจะมีประโยชน์อะไรกับวันเวลาเหล่านั้นนั้นเออมันมีความเยือกเย็นเป็นแล้วแต่ต้องฝึกให้มันเบรบอย่างนั้นเอ่อดึงจิตของเราไว้ในความสงบฝึกๆในๆแล้วเรา อันนี้เป็นส่วน 1 เอ่องานเผยแพร่พุทธศาสนาไม่ใช่ๆมันๆนานาเพราะ ฝึกเอาธรรมะมาๆอันจะผิดศีลผิดธรรมคําๆเข้ามันก็จะทําให้เรา มันอยู่กับเราเสมอเราทําความดีรู้สึกให้ครั้งซึ่งเป็นความดีที่เกิดจาก แล้วเมื่อเราขวัญไปบางทีเราขวัญไปขึ้นเหนือ แม้สูงขนาดไหนก็ตามวิ่งจะตกลงมาจากฟ้าฟ้าแล้วตอกตกใจให้มันไหล ที่พึ่งของเราก็คือการให้ฌานเป็นที่พยัสถุบัติคนเราจะเวียนว่ายตายเกิดวงจายชีวิตนี้ก็ยัง ถ้าเรามีสมบูรณ์แล้วกลับมาก็จะดีกว่าชาตินี้ไอ้ไอ้กิเลสต่างๆให้ 2 หรือว่าทําของจิตบริมีเตรียมร้นทนเอ่อในใจของเราๆเอานําๆแล้วเอามาแทนลูกดีกว่าเรามีเพื่อนภายนอกที่อีกทําๆ ทำบุญทีมทีมแล้วเราไม่ต้องเรียกร้องอ้อนวอนคนอื่นคนนี้ๆหน่อยๆว่าว้าเวงน้อยเหงาอยากจะคุยคน เอ่อก็จะมาเยี่ยมเราเพราะนั้นแม่มีสมบัติไว้ ท่านใดก็ดีพุทธเจ้าไม่ใช่คนจากคนจนเห็นใจพระองค์ทรงครองราชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว กรรมัสเตเอ่อเรียกว่าเอ่อกรรมเอ่อนี้เมื่อบุคคลทําลงไปแล้วเนี่ยก็ย่อมจะเอ่อ เมื่อเราบำเพ็ญบารมีมาอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเลยเมื่อเรามาเราเห็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างแล้วและฐานะผู้สาคนิกรชนจะหาๆหน่อย แต่เราก็ยังรักไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เออวัดวารามแทนที่ว่าเข้ามาแล้วทําได้ โลกมนุษย์บ้านเกิดเท่าไหร่เต็มจํานวนคนไทยนั่นมันเพราะสาเหตุอะไรล่ะมันเป็นปลาย ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแม้แม้ในที่สุดพระ เรเรเราก็ควรที่จะได้อ้างอิงอธิษฐานเอาในความเป็นจริงต่างๆอย่าไปโกหกอย่าไปโตแหล่ความจริงอย่างใดมีอย่างไรรวบรวมมาอ้างอิงอธิษฐาน ลืมก็ลืมไปเลยแต่บุญๆเหล่านี้ เออถ้าเราไม่อธิษฐานเหมือนกับเราทําทิ้งเราจะทําทิ้งตามว่างลู่นในจิตก็ไม่ได้ทึมทับเอาไว้เพียงพอที่เราจะอ้างอิงออกมาให้เห็นแจ้งในดวงใจ แต่ลักขั้งเราหลับ tacosกับ phyamalincel้า 뭐�итай trips to walk. problems ดีกว่าที่เราจะเอาคําสอน นั่นถ้าการที่เราเป็นชาวพุทธแล้วให้มันเกิดเป็นๆนี่ก็ นะในที่สุดความอดทนอดกั้น ในชีวิตของเราทําใจของเราคงแผ่วังหางใกล้กับความชั่วร้ายพวกกิเลส เอ่อพระภิกษุตาก็นั่นขอให้เราพยายามฝึกจิตทําใจสะเดียดตะ โอนาหิมากไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะนูจะเดินไปไหนก็ตามให้เรามีจิตธรรม อันนี้สําคัญที่สุดในการที่เราจะรู้จักวิธีการที่จะทําเจริญความดีให้ ถ้านานๆไปแล้วก็จําเป็นที่จะต้องนําเอาๆวันนึง สามารถนำมรรคานามของโยมเหล่านี้เอามาพิจารณาแล้วก็ เอ่อมาปล่อยแผ่ให้ลูกได้รู้และเข้าใจจะได้ขจัดขาดกลัวจะ จากมนุษย์ไปสู่เทวโลกถ้าจากมนุษย์กลับมนุษย์กับเฒ่าชุนหรือกลับมามันเป็นมนุษย์ถ้าเราสมบูรณ์อยู่แล้วมีมนุษย์ธรรมเต็ม เออถ้าพวกเกิดปั๊บคนเราไม่อยากเกิดก็ ทั้งหลายที่มันมีอยู่ในมนุษย์โลกเทโวโลกปรมโลกแต่ขณะที่เราเป็นมนุษย์จะต้องสังสมบารมีอินทรีย์ โลกเราทุกวันนี้มันถูกคนกินเผาไปซะเยอะโลก คือเราทำตวงได้พร้อมที่สุดๆเอ่อมีก็แบ่งไว้ลูกให้หลานๆไปข้างหน้า แต่นี้สำเร็จปุ๊บนั้นไม่ใช่หายแล้วได้นะถึงเราไม่ทําอะไรเลยเพื่อนเพื่อนฝูงที่ไปพบเราเดินเดินสู่ทะโชติไปหิวเกือบเป็นเกือบตายเข้าไปขอเขาให้กินด้วยความเมตตาเอาเข้ามาสิกว่า ขอให้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วต้องมีโชคมีวาสนาภาคภูมิในชีวิตความเกิดของเราในชาตินี้พยายามเอ่อทําไปๆเรียกว่าสมาธิเนี่ยมัน อันนี้แหละสําคัญที่สุดที่เรายังมีชีวีอยู่ต้องใช้แล้วเมื่อเรา เออมันก็จะได้มาติดไปเป็นเชื้อสายให้กับคนนั้นคนนี้เค้าๆหากมัน เอ่อก็ขอให้อ่าศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ยินด้วยเอ่อเราจะเห็นได้ แต่เวลาที่จะมาอยู่ร่วมอยู่ด้วยนอนด้วยนานๆก็ก็ไม่ค่อยจะได้มาเพราะว่ามันมีภารกิจจริงคอยหนุน ไม่ได้มีความรู้มีความอะไรมากมายรายแต่ความตั้งใจจริงจังต่อ <c oughs> ดวงนําเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เอ่อเอาไปปฏิบัติปรบัติเฒ่าแต่สิ่งที่อยากๆเหล่านี้ พยายามกระจัดขัดเกลาให้หมดไปถึงไม่จะพลาดพั้งไปบ้างก็ตั้งมนัสสติการในใจเอาว่าเราจะพยายามสงบ เออเจริญใน